มีประภาคตรัสถามว่าอัศลายณะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกันร้อยคนให้มาประชุมกันตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจํานวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเคยจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้น จงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลแช่งรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัก ไม้รางสุ i กรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโพลงขึ้นอาลายณะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหม์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟลุกโพล่ขึ้นเท่านั้นหรือเป็นไฟมีเปลเวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลแช่งจักสารตระกูลแช่งรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุง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 ไม้สาระไม้สนไม้จันท์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผลงขึ้นนั้นก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สาเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัข ไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่ง ม, มาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโพร่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟมีเปลเวมีสีมีแสงสว่างและสามารถ ท, ก ท, ท, รทากิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระโคดมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทากิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สาเร็จได้ทั้งหมด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 พรมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรมอสลายณะมานพทุนตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายก็เข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้ว่าวันณที่ประเสริฐที่สุดคือพรามท่านั้นวันณอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอสลายณนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร คตยกุมารในโลกนี้สําเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีพันยากันของคนทั้งสองนั้นจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคตยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์อัศลายณะมานพทุนตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคโดม บุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับคัติยะกุมานั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณักกุมารในโลกนี้พึงสําเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีพันยากันของคนทั้งสองนั้นบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณักกุมานั้น ซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหม์ข้าแต่ท่านพระโคดมบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์นัุมานนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลา เพราะอาศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้าล่อขึ้นลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาข้าแต่ท่านพระโคดมลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระโคดมเรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันแต่ตามในต้น สำหรับเรื่องของมนุษย์เหล่านน้นข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้มีมนบสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำพราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายันก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระโคโดมในสองคนนี้พรามทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ได้แนะนำให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบรญการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข่าแต่ท่านพระโคโดมของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนํจาจกมีผลมากได้อย่างไรเล่าอัศลายณนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนํา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 อาสลายเนมานกปราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมในสองคนนี้พราหมทั้งหลายพึงเชิญมานกผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนําแต่เป็นคนมีศีลมีกาลยานธรรมให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในการเลี้ยงเพื่อเป็นบ ร, รัญการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดี ข้าแต่ท่านพระโคดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาป ร, รมจกมีผลมากได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าอัศลายณนะเมื่อก่อนท่านได้อ้างกำเนิดอ้างกาเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนอ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตะบะแล้วก็มาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วันณะสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัศายนะมานพก็นั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศาหมดปฏิพาน วันนะสี่จำพวกในอดีตครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอสลายณะมานพนั่งนิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจึงได้ตรัสกับอสศลายณะมานบว่าอสศลายณนะเรื่องเคยมีมาแล้วพรามเรือสีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบางด้วยใบไม้ในราวป่า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 เป็นทายาทของพรมลำดับนั้นอสิตะเทวละเรศีโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองไปปรากฏในบริเวณศาลาของพรามหมเรศีเจ็ดตนครั้งนั้นแหลอสิตะเทวละเรศีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณศาลาของพรามหม์เรศีทั้งเจ็ดตนได้กล่าวอย่างนี้ว่าเออ ท่านพราหมเรือสีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเออท่านพราหมเรือสีเหล่านี้ไปไหนกันหมดลําดับนั้นพราหมเรือสีเจ็ดตนได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมเรือสีเจ็ดตนกล่าวอย่างนี้ว่าเออท่านพราหมเรือสีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเออท่านพราหมเรือสีเหล่านี้ไปไหนกันหมดเอาละ เราทั้งหลายจักสาบแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤษีเจ็ดตนก็พากันสาบแช่งอสิตาเทวละฤษีว่าเป็นเท่าเถิดคนถ่อยเป็นเท่าเถิดคนถ่อยพราหมณ์ฤษีเจ็ดตนพากันสาบแช่งอสิตาเทวละฤษีด้วยประการใดๆอสิตาเทวละฤษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่า และเป็นผู้น่าลื่อมใสขว่าด้วยประการนั้นนั้นครั้งนั้นแลพราหมรย์สีเจ็ตนได้คิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาบแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาบแช่งด้วยประการใดๆ เขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าลือมใส ย, ยิ่งขึ้นด้วยประการนั้นๆอัสิตะเทวละเรสีกล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หามิได้พรหมจันทร์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หามิได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพราหมเรศีกล่าวว่า พวกเรายอมสละความคิดประทุษร้ายท่านเป็นใครหนออสิตะเทวะเรือสีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออสิตะเทวะเรือสีมาบ้างไหมพรามเรือสีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่อสิตะเทวะเรือีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเรานี้แลคืออสิตะเทวะเรือีตนนั้น อสศลายณนะลำดับนันแหลพรามเรือสีเจ็ตนพากันเข้าไปหาอสิตะเทวะเรือศีเพื่อจะไหว้อัศลายณนะครั้งนั้นอสิตะเทวะเรือศีได้กล่าวกับพรามเรือสีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สั่ดับข่าวนี้มาว่าได้ทราบว่าพรามเรือศีเจ็ดตนมาประชุมกันในกระถ่อมมุงบางด้วยใบไม้ในราวป่า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 พ ร, รามเรือศีทั้งเจ็ดตนตอบว่าจริง ท, ท, ท่านผู้เจริญอสิตะเทวะเรือีถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับพรามเท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้มิใช่พราหมณ์เลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วโคตชั่วย่ายายของฝ่ายมารดา ได้แต่งงานกับพรามเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้มิใช่พรามเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางพรามณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้มิใช่นางพรามณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วโคต ชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยไม่รู้เลยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกําเนิดในคันมีได้ด้วยอาการอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการถือกําเนิดในคันย่อมมีได้คือหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน 2. มารดามีระดูสคันทพพระปรากฏชันใดเพราะปัจจัยสามประการนี้ประชุมพร้อมกันการเถอคกำเนิดในคันย่อมมีได้ชันนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าเอาเถิดสัตว์เกิดในคันพึงเป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรเขาพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอสิตเทวละเฤือีถามว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนพราหมเรือศีทั้งเจ็ดตนตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนอสลายณนะพราหมเรือศีเจ็ดตนนั้นถูกอสิตะเทวะเรือีซักไซไล่เลียงไต่าถามในวาทะปรารภชาติกําเนิดของตนก็ตอบไม่ได้ บัดนี้ท่านถูกเราซักไซส์ไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารลชาติกําเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นสิทธมีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดเป็นแต่ถือทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัศลายณะมานกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 โคตมุขะสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอุเทนอยู่ณนะเคมิยะอัมพวันเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้ไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นแลโคตมุขพราหมณ์เดินเที่ยวเล่นอยู่ ได้เข้าไปยังเคมียะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขพรามเข้าไปหาท่านพระอุเทนถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนผู้กำลังเดินจงกรมอยู่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มี ในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมเมื่อโคตามุขพรามกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แม้โคตะมุขพรามก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควร ท่านพระอุเทนได้กล่าวกับโคตมุขพรามว่าพรามอาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโคตมุขพรามกล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูอะไรอยู่ลำดับนั่นแหละ โคตมุขพรามเลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมท่านพระอุเทนกล่าวว่าพรามถ้าท่านจะพึงยอมรับคาที่ควรยอมรับ และพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาสิทธิใดก็ควรซักถามเราในภาสิทธินั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนภาสิทธินี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพาสิทธินี้เป็นอย่างไรเพราะทําอย่างนี้เราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยกันในเรื่องนี้ได้โคตมุขพรามกล่าวว่า ข้าพเจ้าจาักยอมรับคำที่ควรยอมรับและจักคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาสิทธใดของท่านอุเทนข้าพเจ้าจาักซักถามท่านอุเทนในภาสิทธนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนภาสิทธนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพาสิทธนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยกันในเรื่องนี้เถิด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 เป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์บรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตามุขพราหมณ์กล่าวว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน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 เพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามเพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนี้ท่านอุเทนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่า ทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทาผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทาตนให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทาตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทาผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ บริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนกล่าวว่าพรามบริษัทมีสองจำพวกบริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือบริษัทบางพวกในโลกนี้หนึ่งมีความกำนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแกวมณีจึงสแสวงหาบุตรพันยาทาดหญิงทาดชายนาสวนทองและเงินสอง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 ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำนัดยินดีในแก้วมณีและกุณทนสแสวงหาบุตรพัญญาทาตหญิงทาตชายนาสวนทองและเงินและในบริษัทผู้ไม่กำนัดยินดีในต่างหูแก้วมณี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 ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคล น, นี้มีมากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้วมณีละชิงบุตรพัญญาธาตุหญิงธาตุชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรามในบัดนี้นั่นเอง เราย่อมรู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมท่านอุเทนวาจาที่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ และขอท่านอุเทนโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้อันหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิดาราขอโอกาสเถิดท่านขอท่านอุเทนช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิดารด้วยเถิดพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว โคตมุขพรามรับคำแล้วท่านพระอุเทนได้กล่าวว่าติดถิยวัตรบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไร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 ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันละถึงกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจวันถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมื้ออยู่ด้วยประการอย่างนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหาร กินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกรัมยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพเขานุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบังสุขุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ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 คือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้พรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน คนเป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจําหรือบางพวกเป็นผู้ทําการทารุณพราหมณ์ บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำ liver, ผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพรามณ์มหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายันหลังใหม่ทางด้านทิ่ตะวันออกแห่งพระนครปรงพระเกษาและพระมสุทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสยและน้ามัน ทรงเก่าพระปริสดางด้วยเข่ามารึกเข้าไปยังโรงบูชายันใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพราหมุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดารงพระชนอยู่ด้วยน้ํานมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดํารงพระชนอยู่ด้วยน้ํานมเต้าที่สองพราหมุโรหิตดํารงชีวิตอยู่ด้วยน้ํานมเต้าที่สาม บูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชารับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ <authorization> ประมาณเท่า <Exped> น <Voilà> <S FIFA> ี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายัน จงฆ่าม้าประมาณเท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นเราชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปพราหม์บุคคลนี้เรียกว่า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 เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและเจรณ ะ, สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์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 เขาละทิ้งกองพวกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัฒออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต